ยังมีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่รู้เพราะฉันก็ยังไม่เคยบอกเธอมันเป็นสิ่งเดียวที่เธอต้องรู้เป็นทางออกเดียวที่ฉันต้องทำเธอจะยอมเข้าใจบ้างไหมมารู้ ภยัยไหมแฉันรู้ดีว่าทุกอย่างไม่มีทางที่ฉันทำให้เธอได้สักวันหนึ่งเธอคงรู้สึกตัวและฉันก็คงต้องเดินจากไปสักวันหนึ่งเธอ เทที่ฉันได้ทำเธอจะยอมเข้าใจบ้างไหมเมื่อรู้ว่าฝันทุกๆอย่างไม่มีทางที่สองเราจะทำได้เธอจะยอมอภัยให้ไหมฉันรู้ ใจบ้างไหมพอรู้ว่าฝันทุกทุกอย่างไม่มีทางที่สองเราจะทำได้แต่จะยอมอภัย อภัยให้ไหม